สามสิบสามริสชิมติสที่สถานีรถไฟเกลเจริงเกลูสโตเียรถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะ Kada važiuoja artimiausias s e k a n t i ค is ต์สโตรกนิสอิเบร์ลินารถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไร a ะก็เด a ว่าจู a a อร i อา s ์ติเมอุสเซอร์คั s ต์สโตรกนิสอิปารีจูรถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรค a ก็เดา a ่าจูเออร์อ t i ์ติเมอุสเซอร์คันต์น รถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะเคลินต a บาลันดาเวจูเอตโรกน a สซิมาร์รถไฟไปสตอกโฮมออกกี่โมงคะเ t ลินตาบาลันดา e วจูเอตโรกนีสอิสโตโรถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะเคลินตาบตรกนีสิเสต ดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะ Noriega b i l l a u a t r i d e ดิฉันต้องการตั๋วไปปรหนึ่งที่ค่ะ no n o r e g v i n l u e v to i p a r ดิฉันต้องการตั๋วไปเบิร์หนึ่งที่ค่ะ no n o r e g v i n l u e to Berna. รถไฟถึงเวียนนาเมื่อไร่คะคดัตโรคินิสอัตวิกสตีเวียนนารถไฟถึงมอสโกเมื่อไร่คะคดัตโรคนิสอัตวิกสตีมอสควารถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไร่คะคดัตโรคนิสอั o วิ y สตีอัมสเตอร์ดัมมดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะ อะไรคือสเปซิสต์อีกตัวตรงนี้รถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะฉันคิดว่าแ i ่เราฉวี t ต์ตรงนี้ส์รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะตรงนี้ยังเร a มีก g มัส s ์วากอนั a ดิฉันต้องการตั๋วไปบรัสเซล์หนึ่งเที่ยวค่ะ ฉันนอยจูบิลีโตอิบรูสซีทีกีเวนัป่นดิฉันต้องการตั๋วกลับโคเปนเฮเกนค่ะนอยจูบลิสต์ตโมยูบิลีโตอิโคเปนฮากาที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไหร่คะเกี่ยเกน่วยเวียเตมีกามายเมวากอนะ